أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ن الحمد لله نحمده ونسعنه و ن س ونعوذ بالله من شر ن ف س ن ا ومن سيئات ع م ا ل ن ا م ي ه د ل ل م ا ل ا سلام عليكم و ر ح م الله وبركاته ความเมตตาของลเราก็ได้มาทาการศึกษาพูดคุยคาพูดของลต่อซึ่งป่าเด่นตอนที่แล้วเรายังคงอยู่ในสุลฟาติฮะ บทที่ได้ชื่อว่าเป็นอุมมุลกิตาบก็คือเป็นแม่ของคำฝี อ, อัลกุรานทั้งเล่มซึ่งเราดูมาถึงตอนนี้ก็คือผ่านมาแล้วห้าอายะนะครับคุามาแล้วห้าอายะก็เริ่มตั้งแต่บิสมิลลาฮิรราะห์มานุลราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิราะบิลอาลามีนอัลราะห์มานุลราะหีมมาลิกิยุมิตีมอียะกนะอับดุวอียะกนะสตนเราครั้งที่แล้วเราหยุดตรงที่ว่าอียะกนะอับดุอียากนะสตนก็คือเฉพาะพระ อ, องค์เท่านั้นที่เราจะขอ นาบูดูอียากานาบูขอทำการเคารพสักการะหรือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่เราจะขอทำให้รักเราให้ได้หัวอียากานาสตาอินแล้วก็เฉพาะพ์เท่าน ท, ที่เราจะขอความช่วยเหลือซึ่งเราก็ได้พูดไว้แล้วถึงเรื่อง ก, การขอความช่วยเหลือว่าปกติการช่วยเหลือขอแล้วจะมีเหตุแล้วก็มีผลก็คือไม่สบายอยากจะหายป่วยก็ต้องกินยาแต่เหตุและผลที่ว่าเนี่ยมุสลิมเราเชื่อมั่นว่าเหตุและผล ด้วยตัวของมันเองไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตไม่อนุโลมให้มันเกิดขึ้นหมายความว่าต่อให้ยามันถูกกับโรคแค่ไหนก็ตามถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้หายยังไงมันก็ไม่อยู่ั้หายหรือถ้าอัลลอฮ์จะให้หายต่อให้ไม่กินยาเลยถ้าจะหายมันก็คือหายอันนี้คือสิ่งที่มุสลิมเชื่อมั่นแต่ก็หมายความว่ามุสลิมเราจะอยู่ทางสายกลางเราไม่ได้อยู่ทางที่แบบว่าทิ้งยาเลยฉันทิ้งการรักษามอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเจ็บเองหายเองมุสลิมเราจะไม่เชื่ออย่างนั้น ท่านนบีวะสเลสลัมย้ำไว้ว่าลิกุรีดะอินเดวะทุกๆโรคนั้นมียารักษาเมื่ อ, อยาถูกกับโรคมันก็จะหายด้วยความไม่ตาของออันนี้คือที่ท่านนบีวะสเลสลัมบอกไว้เวลาแตดาวูบิลฮารอมแต่ท่านนบีย้ำไว้ว่าอยาได้รักษาด้วยกับสิ่งที่ฮารอมอันนี้คือเกณฑ์ในเรื่องการรักษาก็คือไม่สบายต้องรักษาแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ฮารอมเราไม่สามารถจะรักษาได้อย่างเช่นบางทีอาจจะมีในกรณีแบบเราคนบางคนโดยเล่นของ โดยเล่นของโดยเศษศาสตร์ซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่คนบางคนก็เลยไปหาอาจจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อที่ไหนก็ตามให้เขาขับไล่ให้โดยใช้วิธีที่เป็นชิลิกอย่างเช่นหลวงพ่อจะบอกว่านี่นะเอารูปนี้ไปบูชานะหรือว่าเอาผ้านี้ไปพันนั้เอาสายสินไปพันนะั้นแล้วจะหายถ้าเกิดเป็นรูปแบบที่เป็นชิลิคถือว่ามุสลิมไม่สามารถจะใช้รูปแบบนั้นได้ต่อให้มันจะทําให้หายจริงๆต่อให้มันจะทำให้หายจริ ง, อ ย, รงอย่างยากตัวอย่างในสมัยท่านนบี มีซาบาทนึงถามท่าน น, าานาบีบอกว่ายาโซลโลเนี่ยมันมีโรคบางโรคอะที่ว่าใช้กบเป็นส่วนประกอบของยาแล้วรักษาให้หายได้คือซาร์บ้าไม่ได้บอกว่าโรคไหนแต่คือซาร์บาท่านรู้ว่าท่านนายบีว่าสลัมห้ามฆ่ากบอะไรก็ตามที่ห้ามฆ่าก็คือห้ามกินซาร์บารู้ว่าอา้าวในเมื่อนาบีห้ามฆ่ากบแปลว่ากินกบไม่ได้แต่ว่ามันมียาตัวหนึ่งที่ซาร์บ้ารู้เนี่ยยาตัวนี้ต้องใช้กบเป็นส่วนประกอบ ก็เลยไปถามนาบีว่าใช้กบเป็นยาได้ไหมท่านนบีก็บอกว่ายาได้รักษาโดยใช้สิ่งที่ฮารอมองั้นตรงคำว่าอยียาการนั้นาอนเฉพาะพงตอนนี้นที่เราขอความช่วยเหลือเนี่ยความหมายมันจะเกิดขึ้นตอนนี้แหละก็คือตอนที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะให้เกิดผลอะไรสักอย่างแล้วเรามีทางเลือกว่าถ้าเราอยากจะให้ผลตามที่ต้องการเนี่ยต้องใช้วิธีที่ฮารอมนะบางทีมาเป็นฟรินสเป็นบททดสอบที่เรารทดสอบ ถ้าใช้วิธีที่ฮารอมคุณจะได้ตามที่คุณต้องการแน่นอนอันนี้ก็เป็นตัววัดแล้วว่าทุกครั้งที่เราอ่านว่าอียาการนัสตาอนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือเนี่ยเราจะจริงใจกับอัลลอฮ์แค่ไหนเพราะว่าวิธีที่ฮารอมหลายวิธีบางครั้งมันจะเร็วกว่าวิธีที่ฮาลานหลายครั้งที่วิธีที่ฮารอมมันจะดีดีกว่าหรือว่าเร็วกว่าวิธีที่ฮารานซึ่งมันเป็นบททดสอบของอัลลอฮ์เหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกไว้เกี่ยวกับคนที่ยุ่งเหศาสตร์ทั้งหลาย ศาสตร์อัลลอฮ์รับรองว่ามีจริงในกุรานซึ่งอัลลอฮ์ก็ได้รับรองไว้ว่าใครก็ตามที่ยุ่งกับศาสตร์คือคนที่แลกโลกหน้าด้วยกับโลกนี้คือใจร้อนเนี่ยครับอยากให้มันได้ผลเร็วๆอย่างศาสตร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเกลียดสักครู่หนึ่งคู่สามีภรรยาเห็นรักกันแบบอยากให้เลิกกันไปยุ่งแยงไงไม่เลิกสักทีเล่นยศาสตร์คนเลิกกันได้ได้ผลเลยได้ผลเร็วเลย นี่คือบททดสอบของอลอสครับว่าหลายครั้งในชีวิตเราจะพบว่าทางเลือกที่ฮารอมมันได้ผลกว่ามันได้ผลกว่าซึ่งเป็นบททดสอบของอลอสที่มุซินเราต้องย้งว่าอียากันะบุดูเฉพาะอลอสเท่านั้นที่เราจะขอทําให้พงพอใจเพราะนั้นสองอายาณ์นี้คู่กันขอมาพับอายาณ์เดียวแต่ว่าสองวรรคเนี่ยคู่กันเฉพาะพระงานั้นที่เราจะทําให้พอใจเฉพาะพงธนั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือมันสอดคล้องกัน ถ้าถึงที่สุดเวลาเราถึงทางตันจริงๆนั่นแหละที่อัลลอฮฺจะทดสอบเราแล้วว่าเราจะเลือกทางไหนเราจะเลือกทางไหนซึ่งผมก็ขอรัวจากอัลลอฮฺว่าเมื่อพวกเราถึงจุดนั้นของชีวิตเพราคนทุกคนนี้จะผ่านมาหลายครั้งแล้วจุดที่ว่าจําเป็นต้องเลือกแล้วมันรู้สึกว่าทางเลือกที่มันฮารอมมันดูจะสวยจะหอมหวานจะดีกว่าตรงนี้เป็นจุดวัดแล้วว่าเราไม่ใช่กลัวกฎหมายนะเรามีสิ่งที่เรากลัวมากกว่านั้น คือกฎหมายบางทีมันพลิกแพงได้ใช่ไหมครับอย่างคนมีเงินปุ๊บ ก, ก็รอดได้แต่ถ้าใจเรากลัวก็คือเราจะไม่เอาเงินอะไรไปเสี่ยงกับสิ่งนั้นเด็ดขาดครับโอ้บารกัลลอฮฟี่กลุมครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านมานี่ผมเกือบพูดไม่ออกเลยซีเดียวเชียว <laughs> <laughs> ผมรู้สึกว่าหนักขวาเลยเกินครับตอนนี้ <laughs> ด้านขวานี่หนักมากเลยแล้วด้านซ้ายนี่ยังแบบชิวๆอยู่ กับมุสลีมานี่แบบค่อนข้างจะคุยสบายเนี่ยแต่ว่าผู้ชายที่ผู้ใหญ่กว่ผมทุกคนเลยนะครับไม่มีเด็กกว่ผมเลยมีเด็กอยู่ตรงนี้นั้นอิยาการนาบูดูอยากนาไซนเป็นบททดสอบที่เราต้องเจอตลอดชีวิตว่าเราสามารถที่จะแกลบไหวเพียงอัลลลอฮ์ได้ไหมเราสามารถจะทําให้อัลลลอฮ์พอใจอย่างแท้จริงได้ไหมแล้วถึงเวลาสุดสุของชีวิตเราจะขอต่ออัลลลอฮ์เพียงผู้เดียวหรือเราจะขอจากสื่อแล้วลืมอัลลลอฮ์ไปต่อไปเรามายาที่6เลยแล้วกัน ที่การพุ่งึงประเด็นที่เกี่ยวกับการของความเหลือ ใ, ใ, ในครณะที่เราป่วยครับจ ร, จริงๆในที่มาทางการป่วยครับครับเราก็ได้ผลบุญมามาซาล้อถูกต้องครับก็เหมือนวันนี้มันก็จะเป็นกำลังใจให้เราว่าแม้ว่าเราจะป่วยเราจะยังไม่หายเราถือว่าการที่เราป่วยตรงนัเวลานั้นน่ะเอาล้ออาภัยให้เราอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละคืออย่างน้อยเราปลอบใจเราว่าแม้ว่าเราจะยังไม่หายเราจะไม่เอาฮารอมละเราอาป่วยนี่แหละครับที่ว่าอัลลอฮ์ยังไม่อนุมัติ ถือว่าิลลได้ได้รับการอภัยโทษเยี่ยมครับเป็นการเป็นการเสริมที่ยอดเยี่ยมมากมีครั้งหนึ่งที่ว่าซาฮบียะท่านหนึงไปหาท่านอบียซาฮบียะก็คือลูกศิษย์ลูกหาของท่านอบีที่เป็นผู้หญิงไปหานบีแล้วผูบอกยาสุลลาะเนี่ยฉันมีโรคประจาตัวคือเป็นโรคชักเป็นผู้หญิงที่ว่ามีโรคชักแล้วรักษาไม่หายซอฮบียะก็ไปหาท่านเบีแล้วก็บอกสุาช่วยดอาจากับลาะคือขอทางรัดคือยาไม่หายแล้วขอทางรัดช่วยดอาหน่อยให้ฉันหาย ท่านนบีก็ให้ทางเลือกกับผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอินชาอวะเนี่ยถ้าใช้ฉันดูอาฉันจะดูอาให้ได้แต่ถ้าเธอเลือกที่จะอดทนเธอจะได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนเพราะถือว่ามันเป็นบททดสอบแล้วเพราะตอนนี้ผู้หญิงอยากได้ทางลัดคือโดนทุเวลาเจ็บป่วยมันทรมานถูกไหมครับมันทรมานคือถ้าจะหายังไงได้มันก็อยากจะทา ท่นานลบีเสนอกับซาฮบียะบอกว่าจะให้ฉันขอเนี่ยก็ขอได้นะแต่ถ้าเกิดเลือกที่จะอดทนเนี่ยเธอจะได้รับสวรรค์ซาฮบียะท่านบอกว่าไงครับอย่าสู้แล้วถ้า ง, งั้นฉันขอเลือกที่จะอดทนอันนี้คืออิหมานของนางแต่นางบอกนบีบอกว่าไงครับแต่ว่ายังไงช่วยขอดุอาให้ฉันหน่อยคือคนเวลาเป็นลมชักเนี่ยครับเวลามีเสื้อผ้าบางทีมันหลุดลุย่ยมันไม่เรียบร้อย สวีทานก็บอกนายบิเออร์สูลว่าอย่างน้อยก็ช่วยขอดัวาจากเอาร้อให้ถ้าเกิดฉันเป็นลมชักเนี่ยอย่าให้เอาร้อนฉันต้องเปิดอย่าให้เอารอนฉันต้องเปิดก็คือขอให้ฉันแบบเป็นอะไรก็คือให้มันยังรักษาสิทธิ์อันคว ร, ควรคงสูงสของฉันไว้ท่านนยบิก็ขอดัวให้น้องผู้หญิงก็ได้ตามนั้นอยากที่ท่านอาจารย์มานัสได้เสริมมาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากก็คือว่าที่เราบอกว่าอียาการณะอุดูอียาการณ์ซาอีเนี่ยเฉพาะตอนนั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือคือเราพยายามรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งในทุกโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่มักจะตามมาของโรคภัยไข้เจ็บก็คือกำลังใจเราจะค่อยหายไปหายไปหายไปถ้าเจ็บวันเดียวสองวันมันยังทนได้แต่ถ้าเจ็บเรื้อรังที่มันอยู่สักเป็นอาทิตย์เป็นอะไรนีร่มันแบบความอดทนมันจะอ่อนล้าลงไปเรื่อ ย, อยมุสลิมเราต้องการกำลังใจซึ่งท่านบับดุลเลอะสลามสอนไว้ เวลาที่เราไปเยี่ยมใครก็ตามหรือเราเจอใครก็ตามแล้วเรารู้ว่าเขากําลังไม่สบายท่านอบีสอนให้เราพูดกับเขาว่าไงครับลาบะสะอาดต่อหุ่นอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรนะลาบะสะอาดก็คือไม่เป็นไรนะต่อหุ่ดีแน่ๆสะอาดแน่ๆอินชาอัลลอฮ์ด้วยความไม่ตาข้องหรคําว่าสะอาดแน่ๆเนี่ยมีสองความหมายไม่เป็นไรนะสะอาดแน่ๆสะอาดแน่ๆในที่นี้ก็คือประการแรก การที่เราไม่สบายเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์นะทุกครั้งที่ไม่สบายบาปที่เรามีอัลลอฮ์จะให้มันหายไปจะค่อยๆกระทาะให้มันหายไปนเรื่อยเพราะนั้นตัวเราก็สะอาดขี้นเรื่อยแล้วความหมายอย่างที่2ของคําว่าสะอาดแน่ก็คืออินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใชให้หายจากโรคที่เป็นอยู่คือมุสลิมเราพอเราไม่สบายถ้าเกิดเราพยายามดึงสติบางทีสติเราหลุดไปแล้วบางทีมันก็ลืมไงครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนอกแล้วเราไปเจอเขาไม่สบายแล้วไปพูดเตือนสติเขาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นผลบุญก็จะได้โรคภัยก็จะหายด้วยความเมตตาของเลาอามิกําลังใจมันจะมาแล้วเราจะรู้ว่าที่เราเจ็บปวดเนี่ยทุกครั้งที่มันจืดที่มันจี๊ดที่มันเจ็บนเบนี่ยอลัลลอฮ์รู้ทุกครั้งที่มันเจ็บมันจี๊ดขึ้นมาเนี่ยอลัลลอฮ์รู้เมื่ออัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เป็นผู้ที่หลงลืมไหมครับไม่หลงลืม ลราเราเป็นผู้ที่ตอบแทนคนไหมตอบแทนทุกคนทุกอย่างที่เขาทําเล็กแค่ไหนเราก็ตอบแทนแคะนั้นทุกความอดทนถ้าเราอดทนเพราะมันไม่มีทางเลือกปองจะทำอะไรไม่ได้แล้วฉันเจ็บกับเจ็บปงไม่ได้บุญนะเหมือนกาเฟสก็ปองถูกไหมครับคนที่ถึงจุดหนึ่งมันทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็ต้องปงคือไม่งั้นมันเป็นบ้าไงครับมันจะบ้าหรือถ้ามันไม่รู้จักปงแต่สำหรับมุสลิมเราไปอีกขั้นหนึ่ง เราไม่ใช่ปรุงแต่เรารู้ว่าตอนนีนทาาน้ที่มันกาลังทรมานที่มันกําลังเจ็บที่มันบอกใครก็ไม่มีใครเข้าใจเนี่ยนะเอาเรารู้เอาเราจะตอบแทนเอาเราจะให้อภยัยเอาะราปลูกยุโทษให้กับฉันด้วยถ้าเกิดเวลาเจ็บมากๆแล้วก็บอกอสักรฟืองเราพูอ้อัสโลลให้ติดเอลเราโยกโทษให้ฉันด้วยเนี่ยว่าป่วยรัโคบอ่านเอาตอบรับใช่ครับ ใช่ครับช่วงหนึ่งในช่วงเวลาที่ว่าถูกตอบรับนะครับแน่ๆก็มีคนที่ถูกอาธรรมอันนี้ที่เราต้องระวังถ้าเราไปนินทาใครไปใส่ร้ายใครไปว่าอะไรใครแล้วเขาเจ็บแล้วถ้าเขาพูดออกมาต่อให้เขาไม่ได้ขอต่อบรับเอาล้อลละจะรับหมายความว่าต่อให้เป็นกาเฟสก็ตามต่อให้ไม่ใช่มุสลิมก็ตามถ้าเขาถูกเราอาธรรมแล้วเขาสาบแช่งเราเอา ล, ล้อจะรับเช่นเดียวกับว่าเวลาที่เรากลาลังถูกทดสอบหนักๆ การขอด ua อัลลอฮ์ก็จะรับหรือว่าช่วงคนเดินทางขอด ua อัลลอฮ์ก็รับเพราะฉะนั้นปกติเวลาใครจะเดินทางเราก็มกักจะไปส่งเขาใช่ไหมครับเราก็จะด ua ให้เขาแล้วก็หวังว่าเขาก็จะด ua ให้กับเราเพราะด ua จะถูกตอบรับท้าทีอัลลอฮ์อินชาห์าลแล้วก็ด ua ที่ผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าไปล้อเล่นก็คือด ua ของคนเป็นแม่แม่อย่าล้อเล่นกับลูกแล้วลูกก็อย่าไปล้อเล่นกับแม่เพราะถ้าแม่พูดออกมาปุ๊บอลัลลอฮ์รับทันทีเจอมาหลายเคสแล้วถ้าโดนแม่ดา่าแบบแม่โกรธแม่เกลียดไม่ได้ดีสักคน ไม่ได้ดีสักคนครับท่านใดมีอะไรเสริมไหมครับเป็นการเสริมที่ยอดเยี่ยมครับผมไปเรนไหนผมลืมบางทีก็อยากให้ช่วยกันคุยนั้นเราไปยะต่อไปเลยนะครับผมหลังจากที่ว่าอียะกนับุดุว่าอียะกนัสตาอินอิฟ ด, ดีนัสซิรอตัลมุสตากีมอัลลอฮ์สั่งให้เราพูดว่าไงต่อครับตอนเนี้ยเราจะขอให้อัลลอฮ์รักนะเราจะขอกาบว่าลลอฮเพียงองค์เดียวนะเราจะขอต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนะเพราะนั้นสิ่งแรกขอเลย เมื่อเราบอกเราจะขอก็ขอเลยแล้วเราขอสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์หนึ่งคนอีดีนัสซีรอตันมุสตะกีมโออัลลอโปรดนำทางเราให้ไปอยู่บนเส้นทางที่มันถูกต้องถ้าเราคิดดูเราเหมือนกับหมาหนึ่งตัวอาจจะเหมือนกับรถหรือเหมือนกับหมาถ้าถูกวางผิดที่จะขับไปยังไงมันก็ไม่มีทางไปถูกทาง มันต้องถูกวางให้ถูกที่ซึ่งการให้ทางนำของอัลลอ์มีมากมายมีหลายรูปแบบนะักวิชาการแบ่งไว้บางท่านก็แบ่งไว้เป็นสองประเภทบางท่านแบ่งไว้เป็นสาบางท่านแบ่งไว้เป็นสทางนำของอัลลอ์มีทางนำยังไงบ้างครับทางนำของอัลลอ์ประการแรกคือทางนำที่อัลลอ์บอกให้รู้แต่สิทธิในการเลือกเป็นของเราเรียกว่าฮ ah, ah ิดายะอิรชาดียะ ก็คือเป็นทางนําที่ว่าเอาล้อบอกให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดการกินหมนะูเป็นสิ่งที่ฮารอมนะสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องทําคือการละหมาดนะถ้าคนที่มีทรัพย์สินครบรอบปีปุ๊บก็ต้องจ่ายบริจาคนะการนินทาเป็นสิ่งที่ฮารอมนะต้องทําความดีกับเพื่อนบ้านอันนี้คืออนละบอกให้รู้เพราะถ้าเราไม่บอกเราจะรู้ไหมครับไม่มีทางรู้เพราะคําว่าความดีของแต่ละศาสนาก็ไม่ใช่ว่าตรงกันร้อเ ไม่ต้องเอาเรื่องศาสนามาพูดเอาแค่คนเอาคนสิบคนมาคำว่าความดีของแต่และคนไม่เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างครับคำว่าความดีของคนไทยกับความดีของคนอเมริกายกตัวอย่างคิดว่าเหมือนกันไหมไม่เหมือนยังไงเขาก็ต้องบอกว่าต้องรักษาชาติของตัองถูกไหมครับเราคนไทยเราก็ต้องบอกเราต้องรักษาชาติไทยถ้าผลประโยชน์มันข้านกันต้องเอาชาติไทยไว้ก่อนเป็นเรื่องธรมรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติ พอไปถามคนต่างชาติเขาก็ต้องบอกว่าก็ต้องเอาชาติเขาไว้ก่อนภายในเรื่องของความดีเนี่ยถ้าเลาไม่บอกเราไม่มีทางรู้เราจะรู้ไหมว่าหมูเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่รู้หรอกจะรู้ได้ไหมว่าสุราเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะตอนนี้เขาก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าเพราะบางคนก็บอกว่าสุราถ้าหลืนในบริการที่เหมาะสมมั น, มนดีมันเป็นยาบางคนก็บอกว่ามันมีงานวิจัยคนที่ไม่เข้าวงสังสรรค์เลยพนักงานนะครับที่ไม่เข้าวงสังสรรค์ไม่เข้าวงกินเหล้าเลยโอกาส ก้าวหน้าในหน้าการงานจะน้อยกว่าคนที่เข้าวงสังสรรค์หมายความว่ามันก็จะมีข้อมูลเยอะที่พยายามบอกว่าไงครับสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีครั้งหนึ่งในช่วงก่อนที่จะทําสงครามตอนที่กองทัพ ป, ปราเชนาห์กันแล้วระหว่างกองทัพนุสินกับกองทัพโมกกาเฟนท่านอบีท่านได้พูดออกมาเป็นคํากรนพูดออกมาเป็นคํากรน เป็นการปลุกใจบรรดาซา บ, บาด้วยว่าลอฮิเราละลอฮิมาแต่ได้น่ะขอสาบางต่ออัลลอ์หากไม่ใช่เพราะพระองค์เราคงไม่ได้รับทางนำคือเราคงไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดว่าลอฮิเราละลอฮิมาแต่ได้น่ว่ามาแต่สั้ดักน่ว่ามาสั้นเลยน่ะเราก็คงไม่มีโอกาสได้ละหมาดให้พระ อ, องค์รักเราก็คงไม่มีโอกาสได้บริจาคให้อัลลอ์รัก วะลอยเหี้ยเราละลอยมะแต่ได้นะมาตะซัดเราออกมาซะเลยนะฟ้าอัซีลสกีตอนตอนเนี้ยอัลลอฮ์ปรดให้ความมั่นคงแก่พวกเราด้วยโปวดให้ความหนักแน่นแก่พวกเราเพราะการเป็นมุสลิมหลายครั้งบททดสอบเราต้องอาศัยความหนักแน่นถึงจะผ่านไปได้เพรอบททดสอบบางทีมันโดนแล้วมันหนักจนเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าฉันจะไปต่อสภาพนี้ฉันไปไม่ไหวฉันต้องหลุดแล้วเฟ้นอัลเบีก็ขอ dua จากอัลลอฮ์ หลังจากที่ขอบคุณเราล้อก่อนว่าขอบคุณเราล้อถ้าไม่ใช่พ่ะพงศ์เราคงไม่ได้รับทางนําเราคงไม่ได้ละหมาดเราคงไม่ได้บริจาคปรดให้ความหนักแน่นมั่นคงกับเราด้วยหัวซาบิติอักแ ด, ดามาอินลาก็ให้นาปรดให้เท้าของเราเนี่ยยืนหยัดอยู่ได้ตอนที่เผชิญหน้ากับศัตรูสิ่งที่พวกเขาต้องการฟอินอัราดูฟิสตันอเบนาหากสิ่งที่พวกเขาต้องการคือความตกต่ําทั้งศาสนาของเราเราจะขอปฏิเสธ มันเป็นจุดที่ต้องอาศัยความหนักแน่นอย่างสูงโดยเฉพาะในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นหลักหลายครั้งเราจีนในจุดจีนที่ว่ามันต้องปล่อยตามเขาไปหรือเปล่ามันจะอยู่ตามเขาหรือวมันต้องอะไรยังไงมันทดสอบมันหนักแต่ในที่นี้ครับที่ท่านนบีอัสซามพูดไว้ก็คือท่านนบีให้รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้จะให้ทางนำบอกให้เรารู้ว่าอะไรถูกอย่างแท้จริงแล้วก็อะไรผิดอย่างแท้จริงโดยที่เราไม่ต้องไปหลงผิดลองถูก รู้ได้เลยอันนี้ถูกอันนี้ผิดชัดเจนอันนี้คือทางนำประเภทที่หนึ่งฮิดายะอิรชาดิยะคือทางนำที่เลาะบอกให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่สิทธิในการเลือกเป็นของเราหากเราอยากทำดีความดีนั้นได้กับใครครับได้กับตัวเราหากเราเลือกที่จะทำไม่ดีมันก็กลับมาหาตัวเราต่อไปทางนำาประเภทที่2เรียกว่าฮิดายะเตาฟีกิยาก็คือเป็นการให้ทางนาที่ เอาล้อทำให้เราสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้คือถ้าเอาล้อไม่ให้เราสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้เราไม่มีทางทำได้เหมือนการลุกมาละหมาดซูโบเราคิดว่าเราลุกมาด้วยตัวของเราเองหรือเปล่าไม่ใช่นะเอาล้อเป็นผู้ให้เราตื่นเรามีใจเพราะเรามีใจเอาล้อก็เลยช่วยให้เราตื่นแล้วมีใจลุกมาตื่นบนโลกนี้มีคนตื่นตอนเช้าเวลาซูโบกี่พันล้านคนเยอะ แต่ถามว่าทุกคนที่ตื่นมาตื่นมาแล้วละหมาดหรือเปล่าไม่ใช่บางคนที่ต้องตื่นเพราะอะไรครับฉันต้องรีบทํางานงานของฉันเนี่ยมันต้องเข้าแกะเวลานี้หรือว่าถ้าฉันไม่ทําตอนนี้งานฉันทําไม่ได้ลุกขึ้นมาแล้วไปทํานั่งละหมาดยากนะพอทำละหมาดเสร็จปุ๊บจะกลับมายิ่งถ้าเกิดอยู่บ้านละหมาดที่บ้านอัลกุสซามตอนนั้นจะละหมาดซูโบต้องใช้ความหนักแน่นมาก การที่สามารถทําความดีได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ตายลรเรียกว่าเป็นการให้ทางนําประเภทที่2คือการให้ทางนําที่ให้เราสามารถทําความดีนั้นๆได้พูดไปในเรื่องการนอนผมขอเสริมนิดนึงนะครับขอเสริมนิดนึงสุลต่านฟาติฮ่าเราไม่เรียบเนาะไปเรื่อยๆครับในเรื่องการนอนเนี่ยพวกเรารู้ไหมครับว่ามุสลิมเราก่อนที่เราจะนอนเนี่ยชัยตอนจะมาหาพวกเราแล้วมันจะมาผูกปม ผูกปมไม่ที่หัวใจของเรามุสลิมทุกคนคนละสามปมคนเราตอนนอนนะชัยตอนจะมาผูกนะกาเฟสไม่ต้องผูกไม่จําเป็นชัยตอนไม่จําเป็นต้องผูกทําไมต้องผูกปมไมมุสลิมครับเพอาะผูกปมเสร็จชัยตอนก็จะบอกว่าหลับให้ยาวๆนะหลับให้ยาวๆเหมือนหวังดีนะครับแมชัยตอนนี่รักเรานะกลัวเราหลับไม่สบาย มาขอให้เราแบบหลับให้ยาวๆคือที่ผูกเนี่ยผูกมันจะได้ไม่ต้องตื่นผูกให้มันแน่นๆผูกไวเลยสามปมจะได้ไม่ต้องลุกมาละหมาดสูบบกหรี่ต้องผูกแต่นกาแฟต้องผูกไหมจะเป็นกาแฟเขาไม่ลุกมาละหมาดอยู่แล้วสังเกตดูเวลามุสลิมตื่นมาครับท่านบิวสัสส ร, รมบอกว่าหากอยากให้ปมทั้งสามหายไปนะปะกการแรกตื่นมาปุ๊บขอบคุณละล้อก่อน คิดถึงอลลอเป็นอันดับแรกนี่คือมุสลิมเราพอรู้สึกตัวมีสติปุ๊บอัลลอ์ามาก่อนเลยอัลฮัมดุลิลลหฮิลละดีอัฮยานะบะแดมะอามะตนะวย์ไลน์นูชูรทุกๆการขอบคุณเนี่ยผู้ที่คู่ควรกับมันมากที่สุดคืออัลลอ์ขอขอบคุณอัลลอ์ที่ทำให้เรามีชีวิตหลังจากที่พระองค์ทำให้เราตายเพราะเวลาหลับนี่มันหายไปในสติมันหายจริงๆเลยคือเราไม่รู้เราฟื้นขึ้นมาได้ยังไงคนที่ให้ฟื้นคืออัลลอ มุสซิมเราแค่ตื่นแล้วก็คิดถึงอัลลอฮ์ได้แล้วว่าที่ตื่นมาเนี่ยไม่ใช่ความสามารถเรานะเพราะมีพี่น้องเราหลายคนหลับแล้วไม่ได้ตื่นเพราะการตื่นมันไม่ใช่สิทธิ์ของเราเราอย่าคิดว่าเป็นปสิทธิ์ของเรานะการตื่นไม่ใช่สิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเลาเหรอเราตื่นได้อัลลอฮ์ให้ตื่นเราหลับได้อัลลอฮ์ให้หลับเพราะคนบางคนถ้าเกิดว่าถึงช่วงที่เครียดมากๆนอนไม่หลับจะเข้าใจบางทีพยายามข่มตาหลับสี่ชั่วโมงไม่หลับใช่ไหมบางคนใกล้ซูโบนั่นแหละถึงจะหลับ ใช้ตนมันช่วยให้หลับจะได้ไม่ต้องละหมาดสุโบแปลกนะแปลกคือบางทีถ้าจะหลับได้มันต้องเป็นช่วงก่อนสุโบต้องไปช่วงก่อนสุโ บ, โบจะหลับได้อา้าวนบีบอกว่าปมแรกอยากให้หายถ้าใครกระรามตื่นมาปุ๊บขอบคุณอัลลอฮ์ปมแรกจะหายไปหลังจากนั้นทำน้ำละหมาดเรื่องของความประเสริฐของการทำน้ำละหมาดนะครับไม่จาเป็นว่าต้องเป็นคน ปกติทั่วไปสามารถทำน้ำนมัดได้ต่อให้คนมีรอบเดือนก็สามารถทำน้ำนมัดได้แต่เป็นการทำน้นมัดคือทําให้ร่างกายปกติสะอาดแต่ไม่ใช่เป็นการจะไปละมัดทํา้ำนมัดปมจะหายไปอีกปมหนึ่งหลังจากนั้นปมที่สามจะหายไปก็ต่อเมื่อเราละมัดซุบก่อนละมัดซูบก่อนละมัดฟรัชเชรีก็มีแบบอย่างที่ทัศนบีไม่เคยทิ้งคืออะไรครับละหมัดซุนนะก่อนสองล็อกะ เพราะว่าคนเราเพิ่งตื่นนอนมาเนี่ยถ้าใ้ไปละหมาดเลยบางทีใจมันยังไม่พร้อมนะถ้าสังเกตดูผมสังเกตดูกับตัวใจมยังไม่พร้อมแต่พอละหมาดสุนัตสองรกักะแบบทําแบบไม่ต้องนานนะครับละหมาดแบบให้ครบถ้วนให้ส ง, งบให้มีความสวขให้มีความสวยงามแต่ไม่ต้องรีบละหมาดเสร็จปุ๊บพอไปละหมาดสุ บ, บ๊บเหมือนกับมันพร้อมแนละ้วพร้อมแล้วอุ่นเครื่องเหมือนจะสตาร์ทรถใช่ไหมครับรถจ อ, อกตอนเช้ามันดับมาทั้งคืน อุ่นเครื่องก่อนอะละหมาดซุนนะสองแล้วอุ่นเครื่องแล้วก็ละหมาดเฟสนบีบอกว่าเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีความกระปี้กระเป๋าซึ่งความกระปี้กระเป๋านี้ต่างจากกาแฟ ต, ตรงไหนครับเป็นความกระปี้กระเป๋าที่มีอิมานความกระปี้กระเป๋าของมุสลิมกับผู้ไม่ใช่มุสลิมไม่เหมือนกันนะผู้ไม่ใช่มุสลิมเขาตื่นมาเจออากาศดีหายใจแล้วก็ทํางานของเขาไปแต่มุสลิมที่ลุกมาขอบคุณอัลลอฮ์ทำนัะมาดแล้วละหมาดใจเราอิ่มนะ ใจแล้วอิ่มมันเป็นความรู้สึกที่มันอธิบายไม่ได้แต่คือใจมันอิ่มแล้วมันรู้สึกดีมันก็พร้อมแต่บางคนพร้อมปุ๊บ ก, ก็ไปหลับต่อนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งความพร้อมก็ดนดับเครื่องซะง่ายๆนะครับผมแต่มันก็ไม่มีข้อห้ามนะคือหลับหลังละหมัดฟาจัดไม่มีข้อห้ามเพราะฉะนั้นถ้าใครจะหลับก็ไปห้ามเขาไม่ได้เพียงแต่ว่าการหลับที่ดีที่สุดที่ว่าพวกเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําหลับตอนไหนครับ ครับช่วงบ่ายท่านอับดุลเบี๊ยมสสัตซ์บอกเลยครับกีรูฟีนชัยตอนลำตะ ก, กินพวกท่านทั้งหลายจงนอนตอนบ่ายนะเพราะชัยตอนจะไม่นอนตอนบ่ายเราก็ไม่ต้องทาตัวให้เหมือนกันสุภาณอะนะถ้าเราสังเกตดู24ชั่วโมงใน1วันนะครับทุกเวลาเราทำงานได้หมดเลยแต่เวลาที่ทำงานแล้วล้าที่สุดคือตอนบ่ายนะแปลกนะเป็นเวลาที่ทางานแล้วได้คุณภาพน้อยที่สุด แล้วเวลาที่ทํางานแล้วได้คุณภาพน้อยที่สุดเป็นช่วงเวลาที่หลับแล้วได้ผลประโยชน์ที่สุดตอนบ่ายหลับสัก15หนาทีไม่ทางเยอะนะไม่ใช่หลับทีอัดไปสามชั่วโมงสีชั่วโมงลุกมามกักกะลิปคือนอนกไกลแรกจริงๆถ้าเกิดว่ามันได้สักนี่ปะครับตอนตื่นมามันอาจจะเมาอาจจะอะไรนั่นเปนน็นเพราะว่าร่างกายมันต้องเคลียอะไรที่มันไม่ไดีเยอะจริงๆฟื้นมาร่างกายก็เลยเหมือนดูโทมแต่จริงๆผ่านช่วงนั้นไปแล้วไหวละ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทํากันได้ยากมากในเรื่องการนอนสุรฟาร์ติอามาผูวเรื่องการนอนโอเคสิ่งหนึ่งที่ทําได้ยากมากในเรื่องการนอนก็คือว่ายาหลับเดึกวันกุสลามมาเพราะบอกระกาตูครับมาเป็นอย่างครับมาเป็นอย่างครับผมเอาแอลว่าแค่เข้ามาอาล็อตปั้นก็โยกโทษให้แล้วครับมาเป็นอย่างครับมาเป็นอย่างครับผม เพราะท่านอบียก็บอกว่าขอให้ได้มีส่วนเข้ามาผ่านมาเกิดจึงได้รับความดีงามตัวเองครับช่วงเวลาแบบสุนทรท่านอบีที่ควรจะทํากันให้ได้นะครับถ้าในปัจจุบันเขาเรียกว่านอนแบบผลญี่ปุ่นนอนแบบผลญี่ปุ่นผลุนซารามุตโตะบะบาระกะตูครับยังไงครับท่านอับดุลเบียร์ซารามหลังจากละหมาดอิชาเสร็จแล้วท่านจะไม่ทําอะไรมากท่านจะเข้านอนเลยถ้าเป็นไปได้ <c oughs> ก็คือเข้านอน ตีว่าประมาณสองถึงสามทุ่มถ้าถามทางการแพทย์ต้องถามคุณหมอที่อยู่ดหลั ง, งแต่ผมมั่นใจว่ายังไงการหลับเร็วมันก็มีข้อมูลที่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับค่ัรหลับป้่ครับแต่ว่าผมมีสิทธิ์จะสูงอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าหลับสักสีทุ่มไม่ได้แล้วนะหน่คือถ้าเป็นซ้อสี่งสครับ ส่วนสายร่างกายครับผมซึ่งอย่างว่าก็คือสุภาณาร้อ แ, แบบอย่างของอิสลามไม่มีสุวนไหนไหนที่ว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายทุกแบบอย่างเป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าถ้าเป็นไปได้ท่านอบีก็คือช่วงหลังอิชารละหมาดเสร็จปุ๊บอีกสักพักท่านก็จะหลับเลยแล้วท่านก็จะลุกมาประมาณเที่ยงคืนหรือว่าหลังเที่ยงคืนสักเล็กน้อยแล้วจะตะฮัดรุดอย่างเดียวเลยยาวเลยบางทีทั้งคืนแล้วก็รอละหมาตซูบ๊ะทีเดียว ก็คือถ้าดูปุ๊บถ้าที่ผมสังเกตดูคนญี่ปุ่นหลายคนคนที่ผมรู้จักครับเขาทําอย่างนั้นก็คือตอนกลางคืนปุ๊บปรับเร็วๆแล้วก็ลุกมาลุยงานต่อตอนดึกแต่ว่าพวกเราอย่างไม่ต้องใครผมเองบางทีหลับปุ๊บแล้วมันตื่นมันไม่อยากตื่นมันก็เลยฝืนบางทีไปตีหนึ่งตีสองซึ่งผลเสียกลับมาที่ร่างกายเรานะครับอยู่แบบอิสลามเนี่ยดีที่สุดแล้วเรื่องการนอนพักไว้ก่อนพักไว้แต่เพียงเท่นี้เรากลับมาที่อยากรานครับ อีดินั ส, สราตัมสกินเมืม่อี้บอกว่าการให้ทางนำเนี่ยมีนักวิชาการจะสากระดับรครับแบ่งไว้2องสาผมสรุปที่เขาแบ่งไว้4ประเภทเลยแล้วกันเมื่อกี้บอกว่าทางนำทางแรกก็คือเอาล้อบอกให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดการให้ทางนำอันที่สองก็คือการที่เอาล้ออนุญาตให้เราทำความดีนั้นได้สำเร็จนั่นคือเป็นการให้ทางนำแบบหนึง่งส่วนทางนำแบบที่3ามถ้าพูดง่ายๆแปลง่ายๆที่เข้าใจสมัยนี้ยุคนี้ก็คือ การให้สัญชาตญาณเป็นทางนำเที่ยวเาลาะให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดยังไงครับลูกแมวพอคลอดออกมาจากท้องแม่แม่แมวรู้ว่าต้องกัดลก็กลูกแมวอ่าแม่แมวรู้ว่าต้องกินอะไรก็ตามที่เป็นของที่มีที่ตกคร้งแล้วลูกแมวรู้ว่ามันต้องดูดนมแม่ทั้งทั้ที่มันเพิ่งเกิด มันรู้ได้ยังไงอันนี้คือการให้ทางน้ำจากเลือดที่อัลลอฮฺให้ทางน้ำสิ่งมีชีวิตทุกอย่างให้สามารถรักษาเผ่าพันธ์ของมันไปได้เหมือนกับมนุษย์เด็กมาที่เต้าแม่ปุ๊บก็ลูกก็พร้อมที่จะดูดแล้วก็เหมือนกับเราเวลาที่ว่าพอร่างกายต้องการอาหารปุ๊บก็มีความหิวเวลาทํางานหนักๆ ก, ก็มีความเหนื่อยเวลาที่ร่างกายมีส่วนที่มันต้องการการซ่อมแซมก็จะมีความเจ็บปวดจริงๆนะครับความเจ็บ ปวดเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ความเจ็บปวดเวลาไม่สบายเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์เมตตายังไงครับเพื่อบอกให้เรารู้ว่าร่างกายไม่ไหวแล้วนะต้องรีบช่วยร่างกายนะตอนนี้ตรงนี้มันเจ็บเหลือเกินเพราะถ้าเกิดไม่อยู่ความเจ็บปวดมันเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับคือความเจ็บปวดเป็นการที่ว่าอัลลอฮ์ให้ร่างกายภายในมันติดต่อกับเราที่อยู่ภายนอก อย่างปวดฟันอตอนนี้มันมีเชื้อโรคแล้วมันมีการติดเชื้อมันมีหนองมันมีอะไรก็ตามแต่รีบผ่าทางจัดการซะจะไปหายาฆ่าเชื้อจะอะไรจะยใงไงก็คือต้องปวดเพราะถ้าไม่ปวดบางคนไม่ไปหาหมอถูกไหมครับบางคนคือฟันจะโหวแค่ไหนก็ปล่อยมันโวก็จะสมัยไปเลยฉันไม่แคร์แต่พอปวดปุ๊บไปไงครับไม่ไหวยังไงต้องไปเพราะมันอยากหายปวดเพราะฉะนั้นมุสลิมเราถ้าเรามองแม้แต่ความเจ็บปวดก็คือความเมตตาของคลว่า ทุกอย่างมีความไม่ตาของล้ออยู่ขึ้นอยู่ว่าเราจะมองหงุหรือเปล่าแต่เวลาเราทรมานมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกมันมองไม่ค่อยเห็นนี่คือทางนําประเภทที่สมก็คือทางนําที่ว่าล้อให้ทุกอย่างเลยนําทางให้ทุกอย่างสามารถรักษาเผ่าพันธุ์ของมันไว้ได้มดสามารถสร้างหลังซึ่งเป็นต้องบอกว่าไงครับเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่มากมีคนที่เขาพยายามอยากดูว่าหลังมดที่ขุดไปในดินเนี่ยเป็นยังไงพอดูปุ๊บทึ่ง เขาเอาปูนหล่อเข้าไปแล้วก็สกัดดินออกมาดูแบบแมันไม่มีแอร์ไม่มีระบบอะไรแต่ว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้ดินได้ไม่ใช่อยู่แค่ตัวสองตัวด้วยอยู่เป็นรังเลยอยู่ได้ยังไงหรือว่าจะเป็นตัวบิชชั่หรือตัวอะไรก็ตามที่ว่าสามารถสร้างสิ่งที่เหมือนกับเขื่อนหรือว่าสถาปัตยกรรมตางธรรมชาติทั้งหมดนะครับเอา ล, ล้าคือผู้ให้ทางนา <c oughs> และนั่นคือขีดความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์ ก็มาจากการให้ทาขประกอบวะเหมือนกับครับเชิญครับทำเมื่อเราสามารถทำความดีได้สำเร็จเหมือนกับที่ว่าการที่เราละมา่ได้นะครับการที่เราสามารถยกมือตักบีบการที่เรามีใจที่จะละมา่มันไม่ไดมาจากความสามารถของเรานะครับมันมาจากเตี่ยวเราคือเพราะเหมือนกับว่าสมมติเรามีลูกสองคนนะครับเราใจให้คนหนึ่งเราใจให้ึงกู่ไปละมา อาจจะมีคนไปละหมาดแค่คนเดียวแหมคนไมย่ยอมละหมาดแปลว่าคนที่ไปละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์เตาฟิกอัลลอฮ์ขึ้เขาได้ครับอัลลอฮ์เขาสามารถทําได้เพราจะได้นะครับครับพง่ายก็คือการที่ฮิดายาเตาฟิกเป็นฮิดายาที่แบบว่าเป็นความต้องการของอัลลอฮ์ตีอัลลอฮ์คือมันเกิดขึ้นคือความต้องการของอัลลอฮ์มีสองประเภทอัลลอฮ์ต้องการแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ามันต้องเกิดขึ้น S 1> <S 1> เมือนกับอัลลอฮ์ต้องการให้เราทุ้คนเป็นคนดีอัลลอฮ์อยากให้พวกเราทุกคนเป็นคนดีแต่อัลลอฮ์ถือว่าพวกเจ้าต้องเลือกเองว่าจะดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความต้องการของอัลลอฮ์ที่ไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> แต่ประเภทที่สองเป็นความต้องการของอัลลอฮ์ที่มันเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนอันที่สาก็คือสัญชตาตญาณนะครับใช่ครับสัญชตาตญาณส่วนอันที่สี่ก็คือการนําทางที่อัลลอฮ์จะนําทางชาวสวรรค์เข้าสวรรค์ เพราะเราอย่าลืมว่าชาวสวรรค์นะครับก่อนจะเข้าสวรรค์เนี่ยต้องผ่านหลายด่านนะหนึ่งในนั้นก็คือสะพ า, านสะพานซีรสัสซีธนบีมัสสันสมบอกไงครับเล็กเหมือนกับเส้นผมคมยิ่งกว่ามีดเราคิดว่าถ้าเราไปยืนตรงยืนตรงนั้นเราจะรู้ไหมครับว่าทํางไรถึงจะผ่านไปได้คิดแท้ตาก็คิดไม่ออกหรอกครับไม่มีอุปกรณ์เลย เ, ลยเรามีแค่ร่างกายที่ไม่มีเสื้อผ้าด้วยร่างกายเปล่าๆนี่แหละชาวสวรรค์เนี่ยโอ้ แล้วไปยินอยู่ตรงหน้าสะพานซีล้อที่มันเล็กแล Bra ้วก็คมมากๆจะผ่านไปได้ยังไงการที่จะผ่านไปได้ก็คือเอาล้อให้ฮีดายาก็คือเอาล้อนำทางให้เราสามารถผ่านตรงนั้นไปได้ซึ่งก็ขออวยจากเอาล้อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถผ่านสะพานซิล้อไปได้โดยที่ไม่ต้องตกลงไปในไปนรกครับอามิงครับผมเพราะอันนั้นเป็นด่านสุดท้ายแล้วคือการสอบสวนขอเอาล้อเนี่ยอินชาลอ้น่าจะได้คุยกันอย่างละเอียดในเรื่องวันสิ้นในเรื่องการศรัทธาในวันสิ้นโลก เขาจะมีการบอกอย่างละเอียดว่าขั้นตอนเราต้องผ่านอะไรบ้างเรื่องของการสอบสวนจะมีการนําเสนอการนําเสนอปุ๊บแล้วก็สอบสวนแล้วก็ให้คิดเอาเองแล้วก็มีการทบทวนแล้วกม็มันมีหลายขั้นตอนมันมีบ่อน้ําบ่อน้ําตรงนี้แล้วก็ไปตรงนั้นแล้วก็อะไรต่อค่อยคุยกันเมื่อถึงที่อินชา่ามะครับอีดีนัสซิร์ลอตันมุสตะกีมคำว่าซิรอตในที่นี้สุบานละล้อครับอัลลอฮ์สอนมุสลิมให้รู้ว่าเวลาดูอาเนี่ยต้องดูอาให้กระชับแล้วก็ชัดเจน กระชับและชัดเจนผมหมายความว่าอย่างไงครับเอาว่าบอกให้เราขอว่าโปรดนําทางเราไปสู่หนทางที่มันมั่นคงอาจจะแปลว่าเที่ยงตรงหรือว่าแปลว่าถูกต้องแต่มุสติกีมคือมันมั่นคงมันไม่ลม้มมันไม่หักไม่ไปในะตรงไหนมันเกี่ยวอะไรล่ะครับที่ว่าดัวต้องกระชับแล้วก็ชัดเจนบางครั้งเวลามีคนทําดีกับเราเนี่ยบางทีเราขอบคุณเขาแบบสิสรามเราขอบคุณว่าไงครับจัดจ้างก็ลอหู้คอยรอแต่หลายครั้งเราจะได้ยินว่าจัดจางกันลอเฉย เจสากาล้อแปลว่าไงขอเลาะตอบแทนตอบแทนไงไม่รู้นะขอเลาะตอบแทนอย่างสาสมขอเลาะตอบแทนด้วยความทรมานขอเลาะมันได้เหมืดเลยไงครับเพราะนั้นประโยค์พยายามอย่าย่อเจสากาล้อมีคอยรอนด้วยคนฟังจะได้สบายใจว่ามันดูอาดีให้ฉันนะคือถ้ามีวงเล็บมันไม่รู้บางทีอะไรมีในใจเขาเราไม่รู้ไงเออเจสากาล้อขอมันโดนหนักๆเนี่ยเลาะเพียงขอมันยางแบนขอนสารพัด ดัวให้ชัดเจนให้กระชับสั้นๆงั้นหนทางที่ถูกต้องเนี่ยเพราะว่าหนทางมันมีหลายหนทางมันมีหลายหนทางเพราะถ้าเราเทียบว่าแต่และความเชื่อคือหนทางในโลกนี้ก็มีหนทางเป็นเป็นพันแล้วขอหนทางที่ว่ามั่นคงที่สุดแล้วที่ต้องย้ํากับคำว่ามั่นคงเพราะมีครั้งหนึ่งครับท่านบับดมะละลาห์สุล่านอยู่กับบรรดาสฮ า, าบะนั่งล้อมวงกัน แล้วท่านนบีก็ขีดเส้นบนพื้นดินให้ดูเอาไม้มาขีดเส้นลาบเป็นเส้นตรงท่านนบีบอกว่าเนี่ยคือหนทางที่ถูกต้องของอัลลอฮ์แล้วหลังจากนั้นท่านนบีได้ขีดเส้นแยกออกมาเส้นแยกเส้นแยกเส้นแยกเส้นแยกเส้นแยกส้นกส้กจากเส้นตรงเนี่ยนะเหมือนกับเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งไปเรื่อยๆแล้วท่านนบีมัสยิดส์สลามบอกว่าเส้นแยกเนี่ยคือเส้นที่จะทําไม่ออกจากเส้นที่ถูกต้องโดยแต่ละเส้นมีชัยตอนนั่งอยู่ หมายความมุสลิมเราเราไม่ได้มีความเชื่อว่าถ้าฉันเป็นมุสลิมแล้วฉันรอดไม่ใช่เราไม่ได้มีความเชื่อว่าถ้าฉันเป็นมุสลิมมา20ปีแล้วอีก60ปีฉันตั้งรอดไม่ใช่เพราะว่าเส้นตรงที่เราอยู่เนี่ยมันมีทางแยกเยอะมากเลยแล้วเฉพาะคนบางคนครับแบบที่ทัน บ, บีวัสสัยสลามบอกไว้คนบางคนเนี่ยทําการงานของชาวสวรรค์มาตลอดชีวิตแต่มาเสียคนตอนบัน้นปลาย คือเดินตรงมาตลอดแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายซะก่อนที่จะถึงจุดจบพอดีท่านอบีบอกว่าไงครับเขาก็เป็นชาวนารกในขณะที่คนบางคนอาจจะออกไปนอกเส้นมาตลอดแล้วก็ไปเจอทางเลี้ยวแล้วเลี้ยววกเข้ามาแล้วก็ตรงเข้าเส้นชัยพอดี mm hmm. ก็เหมือนกับคนที่ทําผิดมาตลอดชีวิตแต่ในบ้านปลายเขาเลือกที่จะเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักผมเจอคนนึงเจอกับตัวเลยเจอกับตัวเป็นเคสที่ ผมรู้สึกดีแทนเขามีคนคนหนึ่งที่ว่าเขาเคยเป็นมุสลิมมาก่อนอยู่ในครอบครัวมุสลิมแต่ว่าชีวิตเขาเหลวแหลกเขาสั ม, มเลัเทเมาเขาผ่านมาเกือบทุกอย่างละคือหลุดไปไกลมากแล้วก็ไม่มีใครได้ดึงเขาแล้วก็ผลสุดท้ายอัลลอฮ์ทดสอบก็คือเขาไม่สบายหนักถึงขั้นว่าคนในครอบครัวเขาเองไม่มีใครพาไปหาหมอแล้วลูกก็ปล่อยให้นอนแช่กับสิ่งปฏิกูลที่เขามี นอนแช่เงั้ยเลยแล้วก็มีความช่วยเหลือของมุสลิมคนหนึ่งที่ว่ารู้จักกับเขาแล้วเห็นว่าไม่มีใครดูแลเขาแลสงสารก็เลยไปหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือพาไปหาโรงพยาบาลไปทาการทําความสะอาดตัวไปชาระล้างาำรกจนว่าสุขภาพเริ่มดีขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าไงครับผมขอเป็นมุสลิม ผมขอกลับมาเป็นมุสลิมขอนับถือศาสนาอิสลามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลุดไปแล้วเพราะเขาบอกว่าเขาประทับใจที่ความช่วยเหลือของมุสลิมเพราะว่าตอนที่เขาไม่มีใครเลยญาติก็ไม่เอาคนที่ให้ความหยิบยื่นความช่วยเหลือคือมุสลิมหลังจากเขาเข้ารับอิสลามอีกสองวันเขาเสียชีวิตอีกสองวันเสียชีวิตแล้วมันเป็นเคสที่แบบวพอเราเจอปุ๊บสุภานบละคือคนที่เาอยากให้เขาได้ดียังไงเขาได้ดีแน่นอน เขาอาจจะต้องผ่านทดสอบอะไรหลายอย่างเขาอาจจะหนักการใช้ชีวิตอะไรก็ตามแต่มันน่ายาิ่ฉาผมมองว่าเขาเป็นคนที่น่ายาิ่ฉาแล้วก็ขออ้อนวอนขอโทษให้กับเขาแล้วก็ยกฐานะให้เขาเขาอยู่ในระดับขั้นที่สูงส่งต่อไปแล้วก็ขออย่างน้อยทสุดขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ว่ามีจุดจบที่ทําให้อลลอรักครับนั้นอีดีนัสราตันมุสซีมเป็นสิ่งที่มุสซีมต้องขออุดาตลอดเวลาเพราะท่านอับดุลเบี๊ยมมัสเลยซ์ ร, ร์บอกว่าไงครับพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษต่อออลลอฮ์ให้มาก เพราะฉันขออภัยโทษต่อพองวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าเจดสิบครั้งเพราะคนเราทําผิดเมื่อไหร่เราไม่รู้ไงบางทีเราอย่างผมในฐานะสามีบางทีอาจจะตื่นมาแล้วภรรยาทำอะไรผิดใจแล้วผมอาจจะไปทําอะไรไม่ดีกับเธอทั้งๆ ท, ท, ที่เธอไม่ผิดแต่ผมเข้าใจว่าเธอผิดเรื่องชีวิตคู่ครองอมันมันเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็จะกระทบ ก, กระทั่งแล้วก็บางทีเราก็เข้าใจว่าเราถูกทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เราเป็นฝ่ายผิดบางทีกับลูกเราอาจจะบกพร่อง ในฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่กับหลานกับพ่อกับแม่กับใครก็ตามแต่คนเรามีโอกาสทำผิดได้ตลอดเวลาท่านาบีก็เลยบอกให้เราขอไปโทษให้มากๆเพราะซีรัตันมุสตะกีมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะอยู่กับเส้นทางนี้ได้ตลอดถ้าเราเผลอปุ๊บหลุดทันทีหนึ่งในดุอาที่ท่านาบีมัสลิสลามขอเป็นประจำยาโมกัลลิบาลกูรูฟซับบิสกอตบีอะดีน ผู้ที่พลิกผันหัวใจโปรดให้หัวใจของผมมั่นคงกับศาสนาขององค์ด้วยเพราะหัวใจอะครับภาษาหลับเรียกว่าก้อนบุญคำว่าหัวใจนะครับภาษาหลับเรียกว่าก้อบุญก้อบุญมาจากคําว่าก่อนละบ้าคือพลิกไปพลิกมาก้อบุญหมายถึงว่าสิ่งที่แบบมันพลิกได้ตลอดเวลาแล้วสังเกตดูคนบางคนเราเกีเยียดแสนเกียดเกียดจนคิดว่าไม่น่าจะดีกันได้แต่ถึงเวลามันกลับมารักกันได้ หรือบางคนรักกันแบบดูตื่มมากๆเลยแต่ว่าพอเกลียดกันปุ๊ ก, ก็แบบมองหน้ากันไม่ติดติดเลยหัวใจดวงนี้มันเป็นสิ่งอะไรที่แบบว่ามันเกินความสามารถของเราที่จะควบคุมนะเราไม่มีสิทธิ์ควบคุมหัวใจเราเองเราสามารถที่จะควบคุมมันได้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เท่านั้นเพรื่อนมุสลิมเราจึงต้องขอรัวจากอัลลอฮ์เป็นประจำว่าขอให้เราควบคุมใจดวงน้อยนี้ให้ได้เพราะถ้าควบคุมได้ทุกอย่าง ทุกอย่างฉลุยถ้าควบคุมไม่ได้ปุ๊บทุกอย่างจบไปกับหัวใจก้อนนี้ก้อนเดียวหน่อยครับอีดีนัสซูรอตันมุสลิมหลังจากที่บอกว่าหนทางที่ถูกต้องขอให้เราได้หนทางที่ถูกต้องนี้นะอัลล์ได้เพิ่มความหมายให้เราเข้าใจชัดเจนคำว่าหนทางที่ถูกต้องนี้เป็นอย่างไงเพื่อเป็นการเตือนสติมุสลิมทุกคนด้วยว่าอย่าคิดว่าตอนนี้คุณเป็นมุสลิมแล้วคุณจะอยู่บนหนทางที่ถูกต้องนะ พอมีอีกสองกลุ่มชนที่เคยอยู่บนหนทางที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องแต่ทําตัวไม่ถูกต้องอีดีลสุรตัตน์มุสต์กิมซิรตัต ล, ล์ทีนอันมตาเลยหิมหนทางที่มั่นคงเนี่ยนะที่ฉันขอต่อร้อนนะคือหนทางของผู้ที่พระ อ, องค์พอใจเขา หนทางของผู้ที่โปร่งให้ความโปรดปานแก่เขาอันอัมตาก็คือให้เนี้ยม่ให้ความโปรดปานเป็นการขยายความให้รู้ว่าเส้นทางนี้นะหนึ่งในฮิกแมส ท, ที่ซ่อนอยู่ของอาย่านี้เส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางที่จะเดินตามลําพังต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเพราะมีคนที่ผ่านเส้นทางนี้มาก่อนเราไม่ใช่คนแรกที่ใช้เส้นทางเส้นนี้เส้นทางของคนที่เอาล้อพอใจเขา พอเราพูดถึงอายะนี้ปุ๊บเราก็จะคิดถึงบรรดาปรติศาสตร์ทั้งหลายชนก่อนหน้าเราที่เขาเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ไม่มีใครที่มีชีวิตที่สดกสบายสักคนเลยไม่มีเลยสักคนชีวิตไม่สดวกสบายแต่หัวใจมีความสุขหัวใจในอีหม่านเต็มแต่ว่าภายนอกร่างกายสิ่งที่มันเจอกับร่างกายน่ะมันหนักทุกคนหนักหมดเลยเราเริ่มตั้งแต่นะบีอาดัม โดนทดสอบอะไรบ้างสารพัดภรรยาของท่านก็โดนทดสอบนะลูกของท่านก็โดนทดสอบนะลูกคนดีโดนฆ่าอีกต่างหากมาสมัยน บ, บีนึกว่าต้องดาว่ากี่ปีเก้าร้อยห้าสิบปีไม่มีใครเชื่อมีนิดเดียวลำบากไม่ลำบากมีคนดา่ามีคนว่าน บ, บียยุบเป็นคนดีที่ใครๆก็เห็นว่าเป็นคนดีดีมากดีที่สุดในยุค ข, ของท่านแต่กลับเป็นโลกที่มีแต่คนรังเกียจจนคนต้องไปบอกเนี่ยดูเนี่ยอลัลลอฮ์ต้องเกียดแน่เลยก็เลยเป็นแต่โลก โดนแต่ชาวบ้านโดนแต่บททดสอบที่มันหนักหนักหนักั ก, ก, กเพราะนั้นการที่เราเลือกที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยเวลาเราละหมาด ท, ทุกครั้งเราจะได้เตือนสติตัวเองว่าเราขอดูอาจากอัลลอฮ์ว่าโอ้ลอขอให้ฉันอยู่ในหนทางที่มั่นคงนะมันเป็นหนทางของคนที่อัลลอ์ให้ความพอใจเขาซึ่งคนที่อัลลอ์ให้ความพอใจเขาอัลลอ์จะทดสอบเขามากอายะห์กรูร่าเรบอกเลยครับ ฝ่าลักษณ์ตะฮกรพวกเจ้าจะไม่เลือกหนทางที่ลำบากแก น, นั้นหรือสุภาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกมุสลิมนะอัลลอฮ์บอกพวกเราว่าเราไม่เลือกหนทางที่ลำบากแล้วปกติใครๆก็อยากเลือกทางที่สบายแต่ถ้าเราดูชีวิตในดุนยาครับไม่ต้องเป็นมุสลิมไม่ต้องเป็นมุสลิมเอาศาสนาไหนก็ตาม จะประสบความสําเร็จได้คนๆนั้นต้องเลือกเลือกหนทางที่ลําบากเท่านั้นถูกไหมครับถ้าอยากประสบความสําเร็จนะต้องเลือกหนทางที่ลําบากเท่านั้นอย่างยกตัวอย่างคนเป็นหมอเรียนหมอกับเรียนอย่างอื่นต่างกันเยอะไหมครับคนละขุมเลยนะเรียนแพทย์นี่ความเครียดความหนักความริษารพัทใช่ไหมก็คือพราะอยากประสบความสาเร็จในชีวิตไงก็เลยต้องเลือกหนทางที่ลําบากเ อ, อาเลือกก็เลยบอกว่ามุสลิมก็เช่นเดียวกันคุณอยากเป็นมุสลิมที่ล้อรักใช่ไหม จะไม่ลองเลือกขนทางที่ยากลำบากดูกันนั้นหรือนี่คือสิ่งที่เราต้องตอบย้ำกับตัวเองว่าเมื่อฉันเป็นมุสลิมไม่ใช่หมายความว่าฉันอยากจะสบายในโลกนี้แต่มันหมายความว่าฉันเลือกขนทางที่จะลำบากในโลกนี้เพราะฉันหวังว่าอางุ่นที่มันสุกมันอร่อยกว่าอางนุ่นที่มันดิบถ้าฉันเลือกอางุ่นดดิบตอนนี้ได้แค่แป๊บเดียว แต่ถ้าฉันเลือกจะรอไปที่อังหนึ่งสุขแต่มันมันเป็นอะไรที่มันถาวรแล้วมันยาวนานกว่าความสุขความทุกข์ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดพวกเรามองกลับไปที่ชีวิตของพวกเราเองแต่ละท่านนะครับมองกลับไปในชีวิตของเราเส้นทางที่เราเลือกเดินมามันมีทั้งความสุขมันมีทั้งความทุกข์ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดอายุเราสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเราก็จะรู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วไงคือมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วถูกไหมครับ มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันมาซีเรียสอะไรแล้วเพราะที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปที่เราจะซีเรียสก็คือณเวลานี้มุสลิมก็เหมือนกันเราไม่ใช่มองแค่ณเวลานี้แต่เรามองว่าณเวลาหน้าเวลานี้เราก็เครียดแต่เวลาหน้าเราเครียดกว่าเพราะเวลาหน้าเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมมันจะไม่มีใครช่วยเหลือเราได้แล้วเพราะฉะนั้นฝ่ายลัทธฮามาลอะกบะจะไม่ลองเลือกหนทางที่ยากลำบากดูกระนั้นหรือ นี่คือหนทางของคนที่อัดล้อให้ความพอใจเขาให้ความปวดปังเขาหลังนั้นเราบอกไรครับซิลตั น, อนอตลอ ร, มมรลลดดลีน่านำใจไรหิมอยรลินมักดูบีอาไรหิมวัลล์ดอนลีนไม่ใช่แนวทางของกลุ่มคนที่ถูกโกรธไกรลินมักดูบีอาไรหิมไม่ใช่แนวทางหรือว่าหนทางของคนที่ถูกอัดล้อโกรธวัลล์ดอนลีนแล้วก็ไม่ใช่แนวทางของคนที่หลงผิด ใครคือกลุ่มคนที่อัลลอฮ์โกรธกลุ่มคนที่อัลลอ์โกรธเกลียดชัดเจนที่สุดมีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นคือกลุ่มที่รู้รู้ทุกอย่างแต่ทำสวนทางกับที่รู้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือกลุ่มชนชาวยูรู้ไม่ว่าอะไรถูกรู้รู้จักนบีด้วยเราบอกในกุรอานว่าชาวยูเนี่ยรู้จักนบีดีกว่ารู้จักลูกเขาสิ ด้วยจากคุณลักษณะที่ว่าในคัมภีรเตารอสที่อธิบายไว้ว่านาบีคนสลดทที่มาเป็นยังไงเนี่ยเขารู้ดีถึงขั้นว่าเนี่ยนบีแน่นอนรู้ดีกว่าลูกขเขาเพราะลูกของเขาอาจจะไม่ใช่ลูกของเขาถูกไหมครับเพราะว่าสังคมที่อยู่อย่างเลเทเนี่ยเวลาภรรยาท้องจะรู้ได้ไงว่าเป็นลูกของตัวเองเพราะสังคมเลเทไงมีสวิงกิ้งมีอะไรสารพัดอเล็กก็เลยบอกว่าเขามั่นใจในนบีมูฮัมมัดมากกว่าลูกของตัวเองสิแต่เขาเชื่อนบีไหมครับ เขาทำตามนาบีไหมไม่ทำตามไม่ใช่แค่กลุ่มยูเพราะหลายครั้งเวลาเราพูดถึงกลุ่มชนชาวยูมุสลิมเราเหมือนกับจะมีจะมีโหมดสวิตอัตโนมัติบอว่าชาวยูมันชั่วมันเลวมันอะไรมันไม่ใช่ฉันฉันเป็นมุสลิมทั้งทั้งที่บางครั้งเราก็อาจจะลืมคิดไปว่าพฤติกรรมหลายอย่างที่เราทำอยู่ไม่ต่างจากอยู่ ไม่ต่างจากยูเลกตัวอย่างเช่นอะไรครับยูรู้ดีว่าสิ่งที่ท่านอับดุลเบี๊ยมุสลิมนำมาบอกคือสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์แล้วมันคือสิ่งที่ถูกต้องมุสลิมหลายอืามเพิ่มผมใช้สัพ์โหดร้ายไปไหนมุสลิมบางท่านครับ <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษใช้สับผิดไม่ดีมุสลิมบางท่านหลายครั้งมีความสงสัยในสิ่งที่นบีและอัลลอฮ์บอกเลกตัวอย่าง เอาแล้บอกไงครับเวลามีลูกเนี่ยไม่ต้องกลัวจนเอาแล้ย้ําเราเป็นผู้ให้ลิสกีเจ้าแล้วก็เป็นผู้ให้ลิสกี้เขาแท้จริงการฆ่าลูกนั้นมันเป็นบาปที่ใหญ่แต่มุสลิมในปัจจุบันบางท่านมีความเชื่อว่ามีลูกมากจะยากนานผมพูดถึงมุสลิมนะไม่ใช่สังคมกาเฟสเพราะเราถูกกาเฟส พ่อปลูกความคิดมาตั้งแต่สามสิบกว่าปีที่แล้วยุคสามสิบปีที่แล้วเป็นยุคที่มีการลนลงใช้ถุงยางเยอะมากพอาเขาบอกว่าเดี๋ยวพลเมืองจะล้นโลกเดี๋ยวอาหารจะไม่พอเดี๋ยวอะไรสารพัดที่เขาจะพูดได้แล้วผลจากการลนลงเมื่อสามสิบปีที่แล้วตอนนี้โลกอปู่ในยุคอะไรครับ ผ, ผู้สูงอายุกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแนะล้วํานงงยลครับปัญหา เป็นแทบจะทั่วโลกแล้วญี่ปุ่นตอนนี้มีปัญหาก็คือผู้สูงอายุพอเป็นผู้สูงอายุปุ๊บเครียดเลยเพราะค่าใช้จ่ายต่อปีว่ากันเป็นล้านแล้วลูกหลานก็ไม่อยากเลี้ยงด้วยจริงๆผมไม่ใช่แค่ ญ, ญี่ปุ่นเนาะครับใช่ครับ ธรรมดาค ร, รับธรรมดาธรรมดามากๆเลยก็ <c oughs> คืออะไรที่ไม่ดีเขาจะปลูกฝังคนอื่นเหมือนกับอาหาร GMO หรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ดีเราจะยัดให้คนอื่นเราจะไม่กินเหมือนกับพ่อผมเคยเล่าให้ฟังคนบนดอยครับที่ปลูกผักเขาจะมีผักสองแปลงจะมีสองแปลงแปลงหนึ่งแปลงใหญ่เลยมีแต่ผักสวยอีกแปลงหนึ่งแปลงเล็กๆผักจะไม่สวยจะมีแมงมีอะไรกินสารพัด มีคนไปถามทําไมปลูกสองแปลงเขาบอกว่าแปลงใหญ่ๆเนี่ยเอาไว้ขายคนเมืองแปลงเล็กๆเราเอาไว้กินเองเพราะเขารู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ยเขารู้ว่ามีอะไรบ้างที่เขาใส่ซึ่งเราหลายท่านไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างพอจะรู้ครับพอจะรู้เลยแค่ราคามีอาจจะมียาฆ่ า, มาแมลงแต่ดเดี๋ยวนี้อย่างสาร เ, เ อ, อสารผมต้องเรียก ว, ว่าไงดีสารสารพัดประโยชน์แหละครับ ที่เขาดองศพเ น, นี่ยครับทําไมมันมีเกือบทุกอย่างเลยนะครับผมถามอะไรใส่ได้หมดเก er. ือบทุกอย่างเลยแบบมันเป็นสารสารพันประโปอยู่ขนาดนั้นเลยเหรอแบบก็่ที่ระนองนะคะที่อ่านท่าไรือเลที่อาชาไปไปเจอครับเขาจะใส่เชคแบบอ่าประมุ่งสบายตลอดครับใส่แบบสังเกตวลารักประมือมันจะเป็นโฟมอ่าครับผมน่ค่ะเาจะใส่ลคือคือเราไม่รู้จริงๆว่ามันมีอะไรอยู่้างที่เอกกิน อ่าครับเขามาขายคนไทยอ่าครับผมผมเคยได้ข่าวว่าอะไรนะยาคูช่วงแรกนี่คือตอนที่เขาทําเขาเอามาให้คนไทยกินก่อนแล้วก็ค่อยให้คนญี่ปุ่นกินคือดูคนไทยปุ๊บไม่เป็นไรแล้วค่อยไปให้คนญี่ปุ่นกินผมได้ข่าวมามีคนเล่าให้ฟังผมไม่รู้ผมไม่รู้เข้อมารที่ว่ามีการระบุชื่อ แต่ว่าครับกลุ่มคนที่เออเลาะโกรธก็คือกลุ่มคนที่แบบว่ารู้รู้รู้รู้อยู่กับรู้เต็ม อ, อกอะครับรู้ทุกอย่างอะครับรู้ว่าการละหมาดเป็นวายิบจําเป็นต้องละหมาดนะแต่ฉันไม่ละหมาดใครจะทําไหมคิดว่ามีไหมครับมีบ้างใช้คำว่ามีบ้างนะผมไม่ใช้คําที่โหดกว่านี้ซื mm hmm. ้อหลายอย่างที่เรารู้แต่ทําไม่ไดเ้เรื่องลูกนี่ชัดเจนชัดเจนว่าผมเห็นตัวอย่างเยอะมากๆหลายครอบครัวที่ว่ามีลูกหลายท่านในที่นี้ก็มีอยู่นะครับผม ลิสกีมาไงก็ไม่รู้ใช่ไหมครับถึงเวลามันไปได้ใช่ไหมครับสังคมปัจจุบันผมเจอเพื่อนผมผมเจอใครหลายๆคนมีลูกคนเดียวเดือนหนึ่งต้องใช้เกือบแสนถามเขาว่ามีลูกคนที่สองไหวไหมเขาบอกไม่ไหวแล้วคนเดียวก็เกือบแสนสองคนนี่คงจะสองแสนสามคนนี่คงจะแสนสาหัสแล้วแล้วผมบอกว่าลองไปดูครอบครัวที่เขามลูกสี่ห้าคนลูกเขาอยู่ได้อย่างไงคือเท่าที่ล้อพูดเท่าที่ล้อพูดพระเจ้าพูดไงคือผมไม่รู้ แต่พระเจ้าบอกเองว่าคนแต่ละคนมีริสกีของเขาแล้วล้อใ้ริสกี้แกเขาเองพวกเราไปสังเกตดูครับถึงเวลาผู้สูงอายุถ้าจะได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ะนะต้องมีลูกหลายคนถ้ามีลูกคนเดียวไม่ค่อยได้ประโยชน์จากเขาหรอกเพราะอย่างน้อยถ้ามีลูกหลายคนตีง่ายๆถ้าเกิดมีลูกเจคนอย่างน้อยก็สักเดือนมันน่าจะมาหาเราสักเดือนละครั้งอย่างน้อยก็เจคนก็7ครั้งมันก็ยังดีถ้ามีลูกคนเดียวหรอกครับหายก็หา ย, ายาวไปเลย อันนี้พูดเหมือนเตรียมตัวแก่นะครับเอาครับไอลินมักดูเบียร์เยหิมประโยคนี้ย้ำเลยอัลลอฮ์ไม่ได้เจาะจงแค่กลุ่มชาวยูแต่อัลลอฮ์พูดถึงคนทุกคนที่มีความรู้แล้วไม่ทําตามที่เขารู้ทั้งหมดคือคนที่อัลลอฮ์เกียดติส่วนวลาดดอลีนตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงกลุ่มคนที่หลงผิดคือกลุ่มคนที่ผมมองว่าน่าสงสารที่สุดแล้ว เขามีใจเขามีความปรารถนาที่อยากจะทำความดีเขาทุ่มเทกับการทำความดีแต่ทั้งหมดมาจากพื้นฐานของความรู้ที่ผิดถ้ารู้ผิดมันก็เหมือนกับกัดกระดุมผิดนะครับกัดยังไงมันก็ผิดไปเรื่อยๆคือเขาอยากหาวิธีที่จะไม่เอาล้อรักแต่เขากลับโดนป้อนว่าพระเจ้ามีสามนะพระเจ้ามีลูกนะพระเจ้ามีคู่ครองนะ อ๋อพระเจ้ามีลูกพระเจ้ามีคู่ครองฉันต้องกราบไหว้ลูกกราบไหว้คู่ครองด้วยมีความคิดที่ดีไหมดีมีความปรารถนาที่ดีมีกาลังใจที่ดีแล้วก็ทำด้วยแต่ไปพลาดตรงจุดเริ่มต้นความรู้ที่มีดันเป็นความรู้ที่ผิดอัลเลนเลียวเป็นกลุ่มที่หลงผิดเดี๋ย ว, วรับอาจารย์กันต่อแล้วเรามาต่อตรง น, นี้ช้าวันค a l ามาสาตมมมัามัเครั บ, บ, ะรร บ, บจะมาต่อกันในช่วงของอาฟาติฮ์ตรงที่อัลล์บอกว่ากอิมัดูบอาหิมวลดดาดอหลีนก็คือไม่ใช่หนทางที่เราขอต่ออัลลอ์เนี่ยไม่ใช่หนทางของคนที่ไปอยู่แล้วก็ทำตัวให้รลอเกียด แล้วก็ไม่ใช่หงทางของคนที่พยายามจะไปอยู่เนี่ยแต่ว่าเขากลับหลงออกไปหมายความว่าสิ่งที่มุสลิมเราต้องย้ำกับตัวเองนะครับสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งในการเป็นมุสลิมคือความรู้มีคำพูดที่ผู้รู้หลายๆทุกหลายๆท่านพูดไว้ครับหากเราอยากประสบความสำเร็จใน d ุ n y a เราจาเป็นต้องเรียนรู้ หากเราอยากจะประสบความสำเร็จในอาเครอเราก็จาเป็นต้องเรียนรู้หากเราอยากประสบความสำเร็จทั้งดุนยาแล้วก็อาเครอเราก็ยิ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากคือจุดเริ่มต้นมันคือความรู้มันก็คือข้อมูลที่ถูกต้องเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาเพราะถ้าข้อมูลผิดปุ๊บศรัทธาผิดศรัทธาผิดทำผิดทำผิดมันก็จะเป๋ไปเรื่อยๆครับเหมือนกับ เวลาจะส่งกระสวยไปสักดาวหนึ่งดวงจันทร์ดาวคะนึงก็ตามแต่เพี้ยนไปนิดเดียวมันไม่มีทางไปถึงถูกไหมครับมันก็จะออกห่างไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของมุสลิมคือความรู้ที่ถูกต้องเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือความรู้ที่ถูกต้องประการแรกถ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกมันต้องถูกต้องแน่นอนเพราะพระเจ้าไม่โกหกและพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็แปลว่าถ้าเป็นคัมภีร์กรุรอานต้องถูกต้องแน่นอน แต่การจะศึกษาคมภีร์อัลกุรอ่านใจเราต้องเป็นกลางคือเราอาจจะยังไม่มีความสามารถที่จะไปนั่งวิเคราะห์ว่ามันต้องเตีแปลว่าอย่างไรอะไรยังไงเพราะภาษาหลับลึกซึ้งต้องใช้เวลาแต่ที่แน่แก็คือถ้าเกิดอายะกรานบอกตรงๆแล้วก็ไม่ต้องไปตีความให้มันหลุดไปไกลคือเมื่อ Allah บอกยังไง Allah รู้ภาษาหรับดีที่สุดใช่ไหม Allah ใช้คำยังไงใช่ไหมแล้วก็แปลไปตามนั้นก็จบโอกาสผิดมีไหม รอดแล้วไงถึงเวลาเราไปโลกหน้ายืนอยู่ต่อหน้าเราถ้าเราจะถามว่าทำไมทำอย่างนี้เราก็บอกว่าก็เนี่ยกำพีขาพงบอกอย่างนี้ตรงๆเราก็ทำตามตรงๆเราไม่ได้ตีความเราไม่ได้บิดเบือนเพราะฉะนั้นผมจะผิดได้ยงไงถูกไหมครับแต่ถ้าคนที่มีการบิดเบือนคนที่มีความตีความบอกคำนี้ไม่ใช่หรอกมันต้องแปลอย่างอื่นอย่างที่เราพูดหารมที่ผ่านมาหยิบระเร น, นิดนึง อัลลอฮ์เล่าประวัติของท่านนบีอิบรอฮิมตอนที่อัลลอฮ์สั่งให้นบีอิบราฮิมเชื้อดนบีอิสมาอินพอท่านนบีอิบรอฮิมลงมือเชื้อดปุ๊บอัลลอฮ์ไม่ให้เชืออลงแล้วอัลลอฮ์ให้ท่านชิบลินเอาแกะมาแลกอัลลอฮ์ใช้คําในกุรานว่าวะฟะได้น้าบีซิบหินอัดีมและเราได้ชดใช้เราได้ทดแทนนบีอิสมาอินด้วยกับการชดใช้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือให้มล า, ายกะนําเอาแกะมาแทนที่ อันนี้คือนักบริษัททุกคนเห็นพ้องตามกันอย่างนี้แต่ก็มีกลุ่มความเชื่อความเชื่อนึงที่แบบว่าเขารุ่มหลงรุ่มรักคร อ, อบครัวของท่านอบีจนเกินเลยกลุ่มที่เรียกว่าชีอะฮ์เขาจะบอกว่ า, อ า, าอายะฮุรยอัลลอฮ์บอกว่าอาลัลลอฮ์ไม่ได้ชดใช้อิสมาอินด้วยกับแกะแต่อัลลอฮ์ชดใช้อิสมาอินด้วยกับท่านฮุเซนที่เป็นหลานนาบีห่างกันหลายพันปีเลยนะห่างกันหลายพันปีเลย แล้วชดใช้คําถามคือทําไมต้องเป็นท่านอุเซนท่านอาลีซึ่งเป็นบีดาของท่านประเสริฐกว่าท่านอุเซนถูกไหมครับท่านอาลีประเสริฐกว่าทั้งความเชื่อของมุสลิมสุนีมุสลิมชีอะทุกคนเชื่อว่าท่านอาลีประเสริฐกว่าท่านอาลีก็ถูกสังหารทําไมไม่ถือว่าการถูกสหารของท่านอาลีเป็นการแทนที่นบิสมาร์กี๋แหะทำไมต้องเป็นท่านอุเซนเขาแค่บอกว่าไงครับว่านี่เป็นการสอนของอาจารย์เรา แล้วเขาบอกว่าก็ขอตัวบทได้ไหมอาจารย์เอาความรู้นี่มาจากไหนถ้าอาจารย์อ้างว่าเป็นอิลมุลเกฟที่มาจากอัลลอ์โดยตรงเราไม่เชื่อเพราะบนผืนแผ่นดินนี้คนที่เอาล้อรับรองไว้ในอัลกุรอานว่าความรู้ที่เขานำมาถูกต้องมีแค่คนเดียวเท่านั้นคือท่านนับีุโมฮัมมัดสุลล่าของอะลัยฮสัลลัมคุณอินกุนตุมตุฮิบุลลอฮ์ฟั ต, ตบิอูนี่อัลล์บอกนกลาว่า ไ, ไงครับหาพวกเจ้ารัก เอาละจงปฏิบัติตามฉันคือปฏิบัติตามนบีเพราะฉะนั้นความรู้ที่ถูกต้องคือคําพูดข อ, ดของเลาะอัลกุรอานที่มีการแปลแบบตรงไปตรงมาที่ชัดเจนหลังจากนั้นก็คือแบบอย่างจากท่านน บ, บีมูฮัมมัดสุลตานของอาเลสซัมที่ว่ามีการรักษากันมามากต่อมากซึ่งมีการตรวจสอบสถานะของคนที่พูดฮะดิษทุกคนว่ามีความน่าเชื่อถือได้ไหมอันนี้น่าจะมาจากนบีจริงหรือเปล่าเพราะไม่ใช่ทุกอย่างที่บอกว่ามาจากนบี ee, จะมาจากนบี เพราะบางทีคนเขาทะเลาะ ก, กันแล้วเขาแต่งฮะดีสกันเองมีมีมันมียุค ก, ก่อนนะครับผมขอใช้คาว่า fc fc ยุค ก, ก่อนการยึดตามมัสยับเนี่ยมันจะมีบางกลุ่มที่รุนแรงประมาณยุคนี้แหละอย่างนี้เราจะเจอใช่มคนบางคนตามอาจารย์นี้ตามอาจารย์นั้นตามแบบว่าตามแบบใครมาแตะอาจารย์ฉันไม่ได้แตะปุ๊บของขึ้นต้องดา่าต้อง่ายุค ก, ก่อนก็มี ยุก่อนหลักๆที่เรารู้ก็คือทั้งสี่มัสยิดมัสยิดของอิหม่ามอบดุลฮานิฟามัสยิดฮานาฟีมัสยิดมาริกีมัสยิดชาฟีมัสยิดฮัมบาลีสี่มัสยิดที่ว่าหลักๆทั้งสี่มัสยิดผู้รู้ทั่วโลกให้การรับรองว่าเป็นคนดีหมดเลยโอเคนะครับทั่วโลกนะนักวิชาการทั่วโลกให้การยอมรับว่าเจ้าของทั้งสี่สำนักคิดเนี่ยเป็นผู้รู้ ที่ว่าอยู่ในระดับมุชตะฮิดคือสูงสุดแล้วของผู้อิสลามอาจจะมีถูกอาจจะมีผิดแต่ก็คือถึงระดับสูงสุดแล้วลูกศิษย์ลูกขาท่านมีหลายประเภทนะครับคนที่เป็นลูกศิษย์ก็มีทั้งลูกศิษย์ที่แบบว่ารักจริงๆอย่างบ้านเราเสนใหญก็คือมัสยิดฮานาฟีเราก็คือตามตัที่อิหม่ามฮานาฟีท่านทําแต่มันก็จะมีกลุ่มที่ผมขอใช้คําว่า fc คือตามแบบไม่ลืมหูลืมตาใครมาแตะอิห ม, ม่ามฉันไม่ได้เด็ดขาดเลยแล้ว fc ของ2กลุ่มที่ชอบทะเลาะกันคือ fc ของมัสยิดฮานาฟี กับเอซของมัสซับชาฟีถึงเวลาปุ๊บชอบมาทะเลาะกันชอบมาว่ากันเจ้าสำนักเขาไม่ว่าเลยเนี่ยเดีว่าคนที่เป็นตุกตุ๊ตาเนี่ยเจ้าสำนักรักกันครับอิหม่ามชาฟีรักอิหมั่นบูหุนิฟ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอการแต่อิหมั่มชาฟีท่านชมอิหมั่นทุกคนเลยอิหมั่มชาฟีอะไรไม่รู้ท่านชมที่อิหมั่นบาหุนิฟ้าชมอิหมั่นฮัมบารีอ่าชมอิหม่น ม, มาลิจีชมหมดเลยคือท่านยกย่องท่านให้เกียรติคือระหว่างผู้รู้เขารักกัน ระหว่างลูกศิษย์ให้เกียรติกันแต่จะมีเอฟซบางส่วนที่ว่าเป็นภาระสังคมเนี่ยพวกเอฟซเนี่ยถึงขั้นแต่งฮะดิษเองครับมีคนนึงบอกว่าไงครับเอฟซี FC ของฮานาฟีบอกว่าในประชาชาติของฉันท่านอบีพูดไว้เขาบอกว่าอย่างนี้ท่านอบีพูดไว้ว่าในประชาชาติของฉันจะมีคนคนนึงเกิดมาที่มันเลวกว่าอิบริมมันชื่อบูฮามัดบินอิบราฮิคือหมายถึงอิหมามชาฟีแต่งฮะดีษเองเลยด้วยความรักที่มีต่ออิหมามของเล็กซึ่งอ่หมัมเองไม่ร ทีนี้มาศัพทอ fc ของชาฟี fc ผนเจ fc ไม่ได้ใช้คำว่าลูกศิษย์เพราะลูกศิษย์เขาไม่ทากัน fc ของมาศัพท์ชาฟีก็บอกว่าไงครับเนี่ยรู้ไหมเนี่ยด้วยความยิ่งใหญ่ของอิมามชาฟีอีพออิมามชาฟีเกิดปุ๊บอิมามฮานาฟีตายเลยพออิมามชาฟีเกิดในปีที่อิมามฮานาฟีเสียชีวิตคือแบบมันมันใช่ไปเดินไหมมันใช่เลือกไหมแบบ มันเหมือนกับเกย์ท่ า, ากันไปกท่ากันมาว่าอาจารย์ฉันกิ่งอาจารย์ฉันจิงอาจารย์ฉันแน่ซึ่งอาจารย์อาจารย์ท่านไม่ได้ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยคือจะรักใครท่านอบีบอกอะไรครับท่านอบียรมุสลิมพูดไว้ซึ่งมันเป็นข้อคิดซึ่งเราต้องทําให้ได้จะรักใครให้เผื่อใจไว้บ้างคือรักใครอย่ารักหมดใจจะรักใครให้เผื่อใจไว้ได้เกียรติเขาบ้างจะเกียรติใครให้เผื่อใจไปรักเขาบ้างอันนี้คือที่ท่ทานอบีพูดไว้ เผื่อใจบ้างคือรักไม่ใช่วัตถุหมดเลยถ้าจะทุ่มหมดเล ย, มมเลยในโลกนี้มีแค่สองบุคคลเท่านั้นท่านแรกคืออัลลอฮ์ทุ่มหมดใจได้เลยไม่ต้องเผื่อเกียรติไม่มีทางแล้วถ้าเราเกียรติอัลลอฮ์เมื่อไหร่คือเราซวย <c oughs> ไม่ใช่อัลลอฮ์เด็ดร้อนเมื่อไหร่ที่เจ็ดอลัลลอฮ์เราเนี่ยจะเดือดร้อนท่านแรกอัลลอฮ์รักหมดใจท่านที่สองก็คือท่านอดีตมัสสลลอยสลัมรักได้หมดใจเลยไม่ต้องเผื่อเกียรติรักแต่พี่รักสองคนนี้ <c oughs> สองท่านนี้ขออภัยครับสองคนไม่ได้อ <c> ะ <oughs> ลักสองขั้นนี้ไม่มีทางผิดหวังแน่นอนตลาดชีวิตครับผมงั้นในส่วนของสรุรภัติฮะเช้าแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมาต่อเป็นตอนสุดท้ายของสรุรภัติฮะแล้วก็เราก็ไปเรื่อยๆครับเช้าแล้วในวันนี้นะครับที่ขอฝากไว้ในส่วนของสรุรฟัติฮะดูอาที่เราหนึ่งอีกหนึ่งดูอาที่เราควรจะขอจากอละเป็นประจำก็คือโอ้วะโปรดให้ฉันเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็ขอให้ชั้นทํามันได้แล้วก็ขอให้ชันน้นเห็นสิ่งที่ผิด ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ขอให้ฉันออกห่างจากมันได้นี่คือสิ่งที่มุสลิมเราควรจะขอโดยกันเป็นประจำครับสำหรับวันนี้ท่านไรมีอะไรจะเสริมไหมครับก่อนที่เราจะแยกย้า ย, ก, ย ก, กันไปถ้าไม่มีอะไรก็อินชาลอับพรุ่งนี้เรากลับมาในส่วนของปรัติศาสตร์แล้วก็ในส่วนของอามรารยาทนะครับผมมีอะไรร่วมกันท่านใดไปขอมาฟด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่ว่ามาร่วมให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตของพวกเราทุกคนผมก็ได้ประโยชน์พวกเราก็ได้ประโยชน์อินชาอัลลอฮ์ครับผม อันดับมขับ س ลลอฮิกะอาลลาฮฺอะอัสกุบุไลซาะมะุลลบะ -barokatuh